วิบา ก, กรรมของเปรตในไตรภูมิพระร่วงตอนเปรตภูมิกล่าวถึงพวกเปรตมากมายหละจำพวกมีถิ่นฐานอยู่รอบเมืองราชครืกลางสมุทรเหนือเขากลางเขาที่มีประสาทอยู่ก็มีที่มีพาหนะยวดยานเที่ยวไปในอากาศก็มีเมื่อเดินแรงเป็นเ ป, นเปรตเดินขึ้นเป็นเทพพญดาหรือกลับกันก็มีแฝงต้นไม้ใหญ่อยู่ หรืออยู่บนที่ราบก็มีเป็นพวกผีเสื้อผีในต้นไม้ก็มีเป็นพวกผีปีศาจซ่อนตนอยู่ในแผ่นดินก็มีมีอายุยืนต่างๆกันหนึ่งร้ยปีหนึ่งพันปีตลอดถึงกับกันพุทธันดรต้องทนอดอยากทุกยากต่างๆลง่างจำพวกอายุยืนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ข้าวสักเม็ดน้ําสักหยาดเข้าป่าเข้าคอ ลางจำพวกตัวใหญ่ปากเล็กเท่ารูเข็มลางจำพวกผอมหนักหนาจะหาเลือดสักยดก็ไม่ได้หนังติดกระดูกตากลวงลึกผมยุ่งรุ่ยร่ายไม่มีผ้าปกกายเหม็นสาบร้องเพราะอยากอาหารนักหนานอนสิ้นแรงได้ยินเหมือนเสียงร้องเรียกให้มากินข้าวกินน้ำลุกล้มล้มลุกไปมาแต่ก็ไม่มีข้าวน้ำ จะได้แต่ที่ไหนเปรต เ, เหล่านี้เมื่อเป็นคนมรรสษยาคนมีดูแคลนคนยากทํากนเอาสินท่านมาเป็นสินตนตรหนี่ไม่ให้ทานเห็นเขาจะให้ก็ห้ามช่อทรัพย์สินสงหลังจำพวกมีตัวงามดั่งมหาพรหมงามดั่งทองมีปากดัื้หมูอดอยากหนักหนาเพราะเมื่อก่อนได้บวชเป็นชี มีศีลบริสุทธิ์จึงงามดังทองมีปากดังปากหมูเพราะประมาทครูบาอาจารย์เจ้ากูสงผู้มีศีลจำพวกหนึ่งตัวงามดังทองปากเหม็นนักหนาหนอนเต็มปากบ่อนกินปากเจาะกินหน้าตาเพราะได้รักษาศีลเมื่อก่อนจึงมีตัวงามปากเหม็นหนอนบ่อนกินปากเพราะได้ติดเตียนยุโยงสง์ให้ผิดกัน จำพวกหนึ่งเป็นหญิงในวงเล็บหรือชายมีตนเหม็นหนักหนามแมลงวันตอมอยู่ทั่วเจาะกินตนผอมหนักหนาหาเนื้อไม่ได้เลยเอ็นหนังพ่อกระดูกอยู่อดอยากหนักหนากินเนื้อลูกตนเองเพราะเมื่อเป็นคนอยู่หลอกให้ยาแท้งแก่หญิงมีคันและสะบดว่าถ้าให้ยาลูกตกก็ให้เป็นเปรต เ, เหมือนอย่างนั้นจำพวกหนึ่ง เป็นหญิงในวงเล็บหรือชายอดอยากหนักหนาเห็นข้าวน้ำหยิบมาก็เป็นก้อนอาจมเป็นเลือดเป็นหนองเห็นผ้าเอามาห่มก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่ออยู่เป็นคนขึงเครียดด่าทอสามีในวงเล็บหรือภรยาผู้บริจาคทานให้ไปกินข้าวน้ำที่กลายเป็นอาจมเลือดหนอง ให้ใช้ผ้าผ่อนที่กลายเป็นเหล็กแดงจำพวกหนึ่งต้นใหญ่สูงเพียงลำตาลผมหยาบตัวหมิน่นอดอยากไม่มีข้าวสักเม็ดน้ำสักหยาดเข้าท้องเพราะเมื่อกำเนิดก่อนตรหนีนักไม่มักทำบุญทานทั้งห้ามปรามผู้อื่นมีให้ทำจำพวกหนึ่งสองมือกอบเอาข้าวรีบลุกเป็นไฟมาใส่บนหัวตนเองเพราะเมื่อกาเนิดก่อน เอาข้าวรีบปนข้าวดีไปล้วงขายจำพวกหนึ่งเอาค้อนเหล็กแดงตีหัวตนเองเพราะเมื่อกำเนิดก่อนได้ตีศีรษะพ่อแม่ด้วยมือไม้หรือด้วยเชือกจำพวกหนึ่งอดอยากครั้นกินข้าวน้ำที่เห็นว่ามีรสอร่อยก็กลายเป็นอาจมเน่าเป็นหนอนเหม็นพระเหตุที่เมื่อกำเนิดก่อนได้สะบดให้เป็นดังนั้นเพื่อพรางว่า ไม่มีข้าวน้ำที่จะบริจาคจำพวกหนึ่งเป็นหญิงมีเล็บมือใหญ่ยาวและคมดั่งมีดคมกริบขูดเนื้อหนังของตัวเองกินเพราะลักเนื้อของผู้อื่นและปฏิเสธด้วยสบดให้เป็นอย่างนั้นจำพวกหนึ่งกลางวันถูกยิงแทงตีด่ามีสุนัขใหญ่ไล่ขบกัดกินเนื้อกลางคืนเป็นเทพ ย, ายดาเสวยทีสมบัต เพราะเมื่อกำเนิดก่อนกลางวันเข้าป่าล่าเนื้อกลางคืนจำศีลจำพวกหนึ่งมีวมมานดังเทพพยายดาแต่อดอยากหนักหนาเอามือคมกริบขูดเนื้อหนังของตนออกมากินเพราะเมื่อกำเนิดก่อนเป็นนายเมืองบังคับความราษดรมักกินสินจ้างที่ชอบว่าผิดที่ผิดว่าชอบจึงสนองให้ขูดเนื้อหนังของตนกิน แต่เพราะได้จำศีลจึงมีวิมานอยู่จำพวกหนึ่งกินสเสลทอาเจียนน้ำลายเหงือใครน้ำเน่าน้ำหนองและของเหม็นอื่นอื่นเพราะเมื่อกำเนิดก่อนให้ของเดนของเสียแก่พระสงฆ์ผู้มีศีลจำพวกหนึ่งกินน้ำหนองและซากสุนัขเน่าเพราะเหตุที่เมื่อชาติก่อนนำเนื้อต้องห้ามมาอัพรางให้พระสงข์ฉัน จำพวกหนึ่งเปเลวไฟพุ่งออกแต่อกลิ้นปากลามไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่อชาติก่อนได้ดา่าสบประมาทกล่าวมุสาวาต่อพระสงฆ์และผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีศีลจำพวกหนึ่งอยากน้ำดั่งใจจะขาดเห็นน้ำใสเอามือกอบมากินน้ำก็กลายเป็นไฟไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่อชาติก่อนคมเหงควรเข็นใจไม่มีกรุณาปราณี เห็นของท่านก็ใคร่จะได้เห็นสินท่านก็ใคร่จะเบียดบังเอาใส่ความผิดท่านจำพวกหนึ่งมีตัวเปื่อยเน่าผอมหลังขดมือเน่าเท้าเปลื่อยเอาไฟมาครอกตัวเองกลิ้งอยู่ดังขอนไม้เพราะมชาติก่อนครอบเผาป่าคือทําลายไม้ทําลายสัตว์ป่าจำพวกหนึ่ง มีตนใหญ่เท่าภูเขามีเส้นขนรียาวเสียบแหลมเล็บตีนเล็บมือใหญ่คมกริบดังมีดหอกดาบเล็บและขนกระทบกันดังลั่นลุกเป็นไฟไหม้ทั้งตัวบาดตัวดังขวานฟ้าผ่าเพราะเมื่อชาติก่อนเป็นนายเมืองแต่งความไม่ชอบทำเห็นเกศินจ้างไม่เป็นกลาง ที่ชอบว่าผิดที่ผิดว่าชอบเปรตจำพวกต่างๆในไตรภูมิพระร่วงดูรายชื่อคัมภีร์ที่ค้นมาเรียบเรียงก็เห็นได้ว่าเก็บมาจากคัมภีร์สายเถรวาทหรือพระพุทธศาสนานิกายสายใต้แสดงลักษณะทรมานต่างๆและแสะดงกรรมที่กระทําในชาติก่อนด้วยแต่ของบางจําพวกดูก็ไม่ค่อยเหมาะสมพระอาจารย์น่าจะเก็บเปรตมาจากที่ต่างๆ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 ยากแค้นทนทุกทรมานในลักษณะต่างๆเทียบด้วยคนอดอยากยากแค้นไม่สมประกอบพิกลพิการมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งในที่ต่างๆหรือเที่ยวเร่ร่อนไปไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งการทำบุญอุทิศกุศลให้เรื่องผีบุปผาบิดรและวิธีทำทักษิณาคือทำบุญอุทิศให้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 วัดวิธีตามที่เชื่อขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงปุบพระเปตพลในพระพุทธศาสนาแต่ในชั้นหลังได้แยกออกเป็นสองสายคือมหายาและเทราวาทฝ่ายเทราวาทได้นับถือพระพุทธวจนะที่พระเถระทั้งหลายมีพระมหากระสปะเป็นประธานได้ทาสังคยนาไว้คือครั้งที่หนึ่ง และได้รักษาสืบต่อมาจนถึงได้จารึกเป็นตัว อ, อักษรในลังกาการแสดงพระพุทธศาสนาของสายนี้ตลอดจนการอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างนี้ก็อ้างจากพระไตรปิฎกซึ่งได้จดจารึกตั้งแต่ครั้งนั้นและคัดลอกสืบกันมาส่วนฝ่ายมหายานได้มีแสดงผิดแผ่ออกไปดังเช่นเปรตประเภทต่างๆที่อ้างมาแล้ว แม้วิธีช่วยก็เช่นเดียวกันดันงในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องพระโมคคานะไปช่วยมารดามีความว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระโมคคานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาคือได้ทราบว่าทางจีนถือเบื้องซ้ายเป็นสาคัญเบื้องขวาเป็นรองทางทิเบตจะถือเช่นเดียวกันกระมัง ได้คิดจะช่วยมานดาบีดาพูละไปแล้วจึงตรวจดูไปทั่วโลกว่าท่านทั้งสองนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นมานดาไปเกิดอยู่ในเปรตโลกไม่มีความสุขปราศจากอาหารและน้านดื่มมีร่างกายผ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีความสงสารเป็นอย่างยิ่งจึงได้ไปหามานดาได้ยื่นบาตรที่เต็มไปด้วยข้าวให้ มารดาของท่านรับบาทมาถือไว้ในมือซ้ายพยายามที่จะหยิบข้าวเปิบเข้าปากด้วยมือขวาแต่ก่อนที่จะถึงริมฝีปากข้าวก็กลายเป็นเท่าถ่านไฟนางไม่อาจที่จะบริโภคได้เมื่อได้เห็นเช่นนี้พระโมคคัลลานะก็มีความสลดสังเวชใจได้กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณที่ประทับกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้น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 สิบทิศมาประชุมกันด้วยกำลังทางจิตใจของสงฆ์ดังกล่าวความหลุดพ้นจึงอาจมีได้จึงทรงแนะนำวิธีจะช่วยให้พ้นจากความทุกนี้และความทุกที่คล้ายกันทั้งหมดคือในวันที่สิบห้าของเดือนที่7ดภิกษุในสิบทิศมาประชุมรวมกันแล้วก็พึงถวายทานเพื่อที่จะช่วยบุพชนโดวยวิธีนี้บุพชนทั้งหลาย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 พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านางเที่ยวกินเด็กที่เป็นบุตรของมนุษย์ซึ่งมีบุตรกันคนละสองสามคนเท่านั้นส่วนนางสิมีลูกถึง500คนถึงอย่างนั้นก็ยังโศกเศร้าพระเสียลูกไปเพียงคนเดียวนางพญาเปรตกราบทูลว่าบุตรคนนี้เป็นสุดที่รักและได้ถวายปฏิญาณว่าจากไม่กินเด็กมนุษย์อีกต่อไป พระพุทธเจ้าได้ทรงคืนปิ่งคลระให้แก่นางนางได้ถึงสรณะสและสมาทานศินห้าเรื่องนี้อ้างว่ามีในรัตนกูตสูตรและทางลัทธิลามะได้กล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสัญญาว่าในอนาคตภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมดจกให้ข้าวประจาวันกามือหนึ่งกามือหนึ่งแก่นางทั้งสองเรื่องนี้ เล่าแทรกขึ้นมาเพื่อให้เป็นเรื่องแปลกหูเรื่องแรกก็พอเป็นเรื่องเปรตได้ส่วนเรื่องหลังเป็นเรื่องยักษินีมากกว่าแต่วิธีช่วยในเรื่องที่หนึ่งและตามที่ลทัทธิรามะเพิ่มเติมไว้ท้ายเรื่องที่สองก็มีเขาเป็นพิธีทักษินาภูมิอสุรกายอายภูมิอีกประเภทหนึ่งคืออสุรกาย แปลว่าหมูอสุระหรือกายที่ไม่ใช่ของสุระคำว่าอสุระหรืออสูนไทยเรามักเข้าใจว่าได้แก่พวกยักษ์ตามเรื่องรามเกียรติ์หรือนี่เรื่องอื่นซึ่งมีลักษณะดุร้ายกินคนและไม่ใช่คนดังที่เรียกว่าอัศมนุษย์แต่ตามดีกาอภิธรรมอัศมนุษย์ท่านอธิบายว่า อสูรมีสองจำพวกคืออสุรเปรตและอสูรที่เป็น่าสิกของเทพและท่านแปลคำว่าอสูรไว้สองอย่างคือมิใช่สุระอันหมายถึงเทพได้แก่ไม่ใช่เทพคำว่าสุระท่านแปลว่าเล่นหมายถึงเสวยสุขพวกเทวดาเสวยสุขด้วยทิพยสมบัติจึงเรียกว่าสุระอสูรมีภาวะตรงกันข้ามคือ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 ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจำพวกนี้มีตินฐานที่อยู่สวยทิพยสมบัติเหมือนกันแต่ด้อยกว่าพวกเทวดาและไม่ยอมเป็นบริษัทบริวารของเทวดาจึงเรียกว่าอสุระเหมือนกันแปลว่ามีใช่สุระหรือเทพมีความหมายว่ามีใช่พวกเทพเ ท, พเท่านั้นในอบายภูมินี้ท่านแสดงว่าหมายถึงพวกอสุรเปรตจาพวกเดียว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 ที่พระอะสุรกายประเภทแรกบางจำพวกมีตัวผอมหนักหนาดัง่งใบไม้แห้งไม่มีเลือดเลยมีลักษณะพิกลพิการมากมายไม่มีความสุขยากเย็นเข็นใจหนักหนาบางจำพวกมีรูปร่างต่างกันแต่ก็พิกลพิการ ต, าต่างกันจาพวกนี้ดูจะตรงกับอสุรเปดทที่นับเข้าในอบายภูมิดังกล่าวแล้ว ส่วนพวกทิพยะอสุรกายในไตรภูมิพ ร, ร่วงพัรนาไว้มากตลอดจนถึงพวกที่เป็นค่าเสร็จของเทพรวมอบายภูมิสี่คือ 1. นิระยะคือนรก 2. ติรชานโยนิคือกำเนิดติรฉาน 3. ปิตติวิสยะคือแดนเปรต 4. อสุรกายะคือ กายอสุระเป็นทุกติคือกติที่ชั่วเลวอกุศลกรรมนำให้เกิดในทุกติเหล่านี้กำเนิดติระฉานเห็นกันอยู่ด้วยตาส่วนอีกสามภูมิจะมีจริงหรือไม่เพียงไรในพระพุทธศาสนาชั้นบาลีโดยมากแสดงแต่ชื่อในชั้นอัตถกถาลงไปมีแสดงโดยละเอียดอาจอธิบายตามความเชื่อเก่า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 ของชื่อนั้นๆอธิบายตัวเองและคนก็เข้าใจได้ทันทีแล้วว่าไม่ดียิ่งอธิบายก็ยิ่งเข้าใจช้าหรือไม่เข้าใจเพราะพระพุทธศาสนามุ่งอธิบายปฏิบัติธรรมแก่คนฟังในปัจจุบันอ้างถึงอบปยภูมิก็เพื่อให้คนละกำชั่วในเวลาเดี๋ยวนี้การละกำชั่วจึงเป็นข้อสาคัญไม่ต้องเสียเวลาเถียงกันว่า นรกมีจริงหรือไม่จริงนึกดูว่าความชั่วในตนมีจริงหรือไม่มีจริงดีกว่าถ้าพบว่ามีจริงก็ควรเข้าใจว่านี่แหละอับายภูมิและพยายามละเสียไม่ทำอีกต่อไปเรื่องนรกในคำสอนของพระพุทธศาสนา